พึ่งใครทําไม่ได้ไปพึ่งพระพุทเจ้าทําให้ก็ไม่ได้แบบนี้เรายังไปพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาสินพึ่งการให้ทานไปพึ่งการทํากรรมฐานหรือปรัชนาอยู่ที่ไหนรู้ยังให้รู้เลยนี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจากพึ่งได้ อันนี้เลยเป็นหนัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้มธะโพสะโมหะโลภะนั้นจะจางหายไปก็เพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมิ่เอ ง, เองดังนั้นที่ผมรู้ตัวจะมาจะพูดให้สังเพียง ตัน้นตุดใเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนสลาดทุกอย่างก็อตามถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายัางไม่สลาดต น, นเองอันนี้เลยจึงสอนให้คนทุกคนสลาดพระพุสอนสอนให้คนกำลังทําผิดนั้น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 รู้เท่ารู้ทันรู้จากกันรู้จากแกอันนี้เียว่ะสอนให้ทำถูกต้องอันทำสิ่งอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจิตนี้อันว่าอย่างนั้นสอนให้คนกำลังมีทุกข์ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางคายไปก็สอนให้คนดูจิต ด, ดูใจกำลังมันนึกมันคิดนี่เอง เมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกข์นั่นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์นั่นคือโทสะทุกเพราะมีโทสะารรมาทํำใหเราโกรธให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกเพราะเราหลงนี่ถ้าเราไม่หลงโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกเพราะเรามีโลภนี่ถ้าเราไม่หลง เราไม่โกรธโลพะก็เกิดขึ้นได้ไดทุกข้อสิ่ง น, นี้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์เพราะโทสะโมหะโลพะมาล ก, กวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้เมือ่อย่างนั่นแหละควบหน้าอยู่อย่างนั้นแหละไม่อีความสว่างภายในะจิตใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูกคือพอใจแล้วมันเจ็บแล้วอยนะู่ยขัดใจถูกใจ เราว่าไม่ถูกใจนะ่ไม่ถูกเมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้วโยภะมันถูกแล้วคือว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ความทุกข์นั่นจะไม่จางหายลงไปเลย แม้จะศึกษาเล่าเรียนภรไตรปิดกจนจบก็าตามแต่ผาสมภาษาค้่องแค่วว่องไวรู้จักอัดรู้จักแปรทุกสิ่งทุกอย่างก็าตามถ้าหากยังไม่หมักแก้ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควร ยังไม่คุ้มค่ากับกลัวมาเกิดเป็นคนนั่นเองดังนั้นคำสอนของพระพุทเจ้าพนามากิงๆมันขอให้ดังนั้นคำสอนของพระ เ, รเจ้ า, จาทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภได้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 เมื่อสึงเหล่านี้ลดน้อยลงไปจริงจึงปรากฏเพราะสินมันงายหน้าขึ้นมาแล้วสินนั้นหายเกีียวที่มันอัดแน่นนั้นออกแล้วจึงว่าสินจึงเป็นเครื่องทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางหายไปแล้วก็ลู่แจ้งให้จริงตามความจริงจริงคือสิน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 ยังไม่เป็นตัวสินแท้ตัวสินแท้ตัวสินจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแต่ต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้มีคนมาจับมือจับแขนจับขาจับที่ไหนก็ตามมีสองคนสามคนมาจับพร้อมกันกนรู้ปึ๊พร้อมกันทันที เพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือสิ่งสิจะเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยนักสมาธิเป็นเครื่อง ก, กอํ า, า, กากจัดกิเลสอย่างกลางคําว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งภาวนาพุทโธธรรมโมหรืออลาหังพองยุคดูลมหายใจอะไร สมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทําการทํางานพูดคิดการงานนั่นจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีเรียเพราะจ่ามีสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเรามันนึกมันคิดเรารู้เท้ารู้ทันรู้จากอันรู้จักแก้เห็นแจ้งรู้จึงตามความจริง นั่นแหละคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าตั้งใจมั่เมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นชีวิตของเราเป็นปกติอย่างนี้นั่นแหละคือเรามีสมาธิจึงกําจัดกิเลสอย่างกลางเราไม่ใช่ไปนนั่งคมสงบความสงบนั้นจึงมีอยสองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบสงบแบบอยู่ในถ้ำ สงบแบบมืดสงบแบบที่มันเกี่ยมันอัดแน่นอยู่นั่นแหละสงบแบบควมหน้าอยู่นั่นแหละอันนั้นสงบแบบนี่อันคว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จะเป็นพระเป็นเมรุเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่คอตามฟังตัวของผมฟังตัวจะมาพูดอยู่แถวนี้แหละ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 เราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมันจริงๆสัญญาจึงความหมายรู้จำได้ไม่ใค่ไปจำมาจากตำราไม่ใค่ไปจำมาจากครูบาอาจารย์สอนให้เราจำว่าเรานึกเราคิดเราเห็นเรารู้อันนั้นแหละคือสัญญาแท้เรากามือรู้สึกเราเยียดมือ มันไม่มีการเห็นแจ้งมไม่มีการรู้จริงเมื่อมาทำความรู้สึกตัวนี่แหละการเคลื่อนการไหลโดยวิทยกวก็าตามให้มันรู้สึกเรียกว่าเราเคยได้พูดได้สอนมาว่าพระพุทธสอนให้มีสติกำหนดรู้นในอินญาบททั้งสี่ยินเดินนั่ง น, นอนให้มีสติเขา้าสกัดหยุดรู้แต่เท่านั้ น, ออนก็ยังไม่พอ ท่านก็สอนย้ำเข้าไปว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอริยบทย่อยขู้เหียดเคลื่อนไหวโดยวิธีตะก็ตามท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นที่ตัวของผมตัวอธสมาสอนนี่ว่าให้มีสติกำหนดรู้ทุกอริยบทเองเป็นอย่างไรก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรับรองได้จริงๆริงนี้ เท่ได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตสติดใจมาในวันนี้ก็เป็นเพียงสั้นๆจะมาทำลายโทสะโมหะโลภะนเองให้ตัวลูกตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณทาหน้าที่ของมันจริงๆอย่าไปขัดอย่าศึกษาธรรมะรรมสาจริงๆเอาแหละ อี่อาตจจมาได้ให้ขอคิดเป็นเครื่องเสือนจิตสกิดใจมาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้วท้าที่สุดที่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะโย น, นสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุลของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าและคุณของพระันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเรา ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธสอนวัดทั้งหลายเราผู้เป็นปะถาคุไปถึงไร่แห่งนั้นไม่ได้จึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้ <c oughs> มีมนเพื่อนทิสุสะมเนินทุกท่านตั้งใจฟังครับแล้วก็เจริญพรญาติโยม ทุกท่านทุกคนทั้งหญิงแล่ชายเด็กและผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจำไม่ได้เมื่อตั้งใจฟังแล้วก็จดจำได้วันนี้ที่ผมนื่ยอาตมาได้เดินทางมา พบกับพวกเราถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมจะได้ให้ความคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจของพวกเราส่วนมากคนเราถือศาสนาพุทธความคิดความเห็นความเข้าใจไม่เหมือนกันเมื่อพูดถึงไม่เหมือนกันแล้วก็ต้อง พูดเรื่องตัวเองอีกตัวเองนี่ก็ไม่เหมือนกันทีแรกเข้าใจหลักพุทธศาสนานั้นตามประเทณนีพอแม่โคบาอาจารย์ปู่ยาตายายทำยังไงก็ต้องทำไปอย่างนั้นอันนั้นยังควบหน้าอยู่เกี่ยวมันยังอัดแน่นอยู่ไม่ได้หงายหน้าขึ้นมา ไม่ได้หมายเกี่ยวออกมาเรียกว่าถือตามประเพณีนั่นเองแบบ น, นี้เรามาทำคมเข้าใจในตัวเองให้ถูกต้องก็อุปมาเมื่อตกหงายของที่ค่ม่มแล้วก็หมายเกี่ยวที่อัดแน่นออกหายเกียวมันออกมลนก็มีความ เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาส่วนตัวแต่คนอื่นนั้นจะเข้าใจยังไงไม่ทราบจังว่าความเห็นของคนไม่เหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นคำวมาศาสนา น, านี้เราไปเข้าใจเอาเสียว่าเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเป็นของดึกดำบรรณ มันเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอันนั้นเป็นการเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเมื่อยังควบหน้าอยู่วันนี้เมื่อเรามาศึกษาตัวเราทำความเข้าใจกับตัวเราให้ถูกต้องบูเลียนน้เบ็ดเราขูเสออาหมามัดไหนงักฝานี่ดที่เรียนรู้ทันหน่าอดไงนหน่ายจู๊คอยหน่ายยากเวอร์ย อาหมนออกนาคุณนักหนึ่งเมือหอกนักลูกนาคมาัเมื่อกหมกหนึ่งลกอีกหนึ่งนักหน่เมื่อหนึ่งูกกหนึอกหนึอาอีกนั่นเองนักหลอกหมกนี่หลอกถุงมังแค่แห่งหนึ่งอกดนกมาหนกแค่อีกหักหนักอัดอันอกแค่แห่ีกหนนึ่งมาอกน อาเมียดสารเล็กๆแต่ละดวงงานยิ้มหนุกนอดยิ่งด่วนรู้ว่าเยอะมากงานแบบนี้หนุกหนาทำนักหนอดนักหนึ่งเมียมนอดงานนักงานนายอาบุกี้ถ้าไปยิ้มหนุกนี่ดอกกุศลห่านนัดมเจาเีเมียลักอยากใช้หนุกอิสร่านนอนเล็กนอนอิ คนนี้คนนี้มี n ันอินบอกอย h ่ดีสัน r ันเรื่องเล่นมันว่าจะร e ้ความควา c h าจมุสยาความ c h จจะรู้ความความ t ันต์เสียให h i ีสันไปอยากเงาะ c กุ้งอยากเสียเงาะที่สันนั่งกูเรียนบทเหมือนเด็กนี a มาอาเอ็ดจักเอ้ a นี่มาลืมเด็กนี่เขาอาเอ n ดจักเอ้ยนี่หมดทำอะไรยอดเนาะอยากเงาะที่มันก่อท a ่มันลืมเอาที่หม n เ À, là, là t t à h n t n t t h r đẹp n u g là r đẹp n h n ít h đẹp u n g đi, vậy thì h c h các n họ đẹp đẹp, đẹp là h là i n h à linh, l l n ít à n m i biết đ ư ợ nhau, họ nọ n á n á là hết, nhà hạt nát, hạt một o n h ị ấ u ban. เนื้หาสัพน์นั้นเหนอดมุนอาเนริมุนเนื้อหาสัพพุทธมีหลากหลายถึมากนักหลายนมัดที่ดดูครับนี่มัดนอยนื้อสุนัขได้ดูครับน่นหมายถึงเนื้อแบบเนรมหัวโน้มหัวโนโลขึ้นนมหนักหัวโนโลโน้มน้มอ่านกับแบบโปรเล็บแบบโปรเล็บ นั่งกอดนั่อินสุขภาตองอิน่งอินเด็ดขาด่งดูลก็อินสุขตรออินม่ทีพิสุขภูตยานุสุยานุสุขเราามันิดยวานไหนเรื่เี่ยวกับสุขภานึกอู้ก่อนงานัดสดนไดรูออนะสิไนจะินนี่อนน หลงก็เสียชีิตยากงกเสียชีิตกเสียชีวิตงุดเสียชหาวเสิตาเิตี่สุดพุทธอย่นี่ันเรยอยทีลูกนักนี่ลูกาเนี่ดพเกอุดนกทหมุหมั่งยืนกับนักฆ่าไมักเรีนดึกต้องึงกน นันเงินเมียนึกนึกกูหาเอากูหนักเลียนักเงนเียนึกาคนหา home t า dog าคนนักเงินเีมีนายมีหญิงหลักนักหญิงม้านักหินักเงนเก็เลุดนักนเมียก็เรลุดนักนเียนักเน้อสุนันยื้นันยนังิเนีองกนัยา นัดหนัดลูกยีดูนัดนัดดึหนีนักนัดนัดหนัดหนัดน่้นีาไหมฮี่มานอรีนัดกยไงนอางนี้กขะแบนยานกนยานี้ตุกขะแบนี้อย่นี้ตบางนี้อาง ยึดย c ดยันฝาหมัดยันนวดหมุนลึกลึกนะโอ้าดูอมนเลยยึหน่อึามนดเลอาดูอมลเอูน่ม่ค่อยเอดูน่มค่อยแผลเน่าเลยเยนั่งยดนะดน่ งานเ i ็กเด็กก็พอเราดูพอเราดสม่ำเมอเอาไข่เลี้้วยนนายมาี้อาวาผัดผัดรูปหัวยังเงินมาหัวอันนันมานนดูด้วยเาไข่ล้วยะบนั่นอาจจะลำบกมานอุ่นูฟ้าพัดหยุงอมานหัลอยหนัลอยดนออ เฮ้ง่าบานหักน่ามักหน่าบานด่าบานหนี่าบานเียั่งมักโดนเเลีมบนง่ารวยเอมึว่าราที่ักเอาหวยเลี้ย่ารยอานะเ็มองอานะเ็เินมาดิลุงหลอด้เอาหวยด้วยง่ารวยนะรวยวเิน เฮ้ว่าหนอยิบนะน้าลูกนุ่นิ่มยัวนมนาขัดนรูน์มวนยนะ้บิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบยบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบบิบิบิบิบิบิบิบิิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบบิบิบิบิบิบิบิบิบิบิบบิ uộc nguyện bố uộc nước hiếu nghiệp nội tu luật m ặ t h i n g ư ờ mặc ta muốn năng lắm làm học đ hiền người già b i t h ằ n g ta chi miên lắm n g ư ờ đ u ô n g n g l m người ẹ thoát ngang l m làm v c ngang làm đẹp làm bách lý gì gì về làm bách là, làm b c được làm việc l h ư ợ c à m đ ạ วูเรียนบงายมากเนี่ยมางายมากเนอะธรมะเนอะโคตรครมันมาเลยบุกโนกลอกยงงมากอดูบกตรย่งแเนี้อกนันยิม่บเนายดไ็นนยัอักหนะินอัโอเคอุ น้ำหม้อีชันบกน้หม้อีนบกนเอ็นน้หมอคีชันมาเะแหน่งนักอู้หลอกแวเห็นมัดน้ำหม้อีชันบักะเมื่ออู้เรียบ้านเอาเมดเม็ดำนห้อีนำห้อีชันบักน้ำงานบัน้ห้อีชันบักน้ำหลา n ้ำหมกทิพย์น้ำน้ำมันน้ำน้ำหมวิจี้รือมาียเพราะเขข้านเยอะดี่าน น้ำอกเน้อหายอาบึกฟักน้ำบึกนอน้ำเดิึกักไว้เลนลัน้ำมึนหายดิัมนี่นะหมดนี่นะหายมงนะโอ้หายน้ำไปเยอไอ้สัตว์ไม่หยางไม่หยาง ว่าลามาภิพทธิสลงกัปปารถนาบิดนิสิตนะยะจักขจุลวัติเสชาสังกัปปนาเอ็ว่าเนได้เล็กอุ้ยอิศกเอ้ยอิ้ยอิศกุมหากาลอิักุลพุทธอิศกุลพิมอกายุน้กิดาักน เด็กก็งานยิ่งเด็กก็หนักหนกเด็กก็หาเงินเดเด็กหาเงดเดกพดล้ิ่หลอกหนาเินเนไดพูดรอหลกหลอกหนกหลอกให้หนักหเยอเอาไว้แลอยากพักเอมเอมนเอาไวนุกอยากพักอนุหนักหนักเอาไว้ น้ำเล็ดสับเล็นั่นไ่นอก่หมดาบ้านล็ดอะห้เรียบหมดนั่นรู้สิเนยเรบหมดสันรียบบึ้งับเรีบอีายวยาหมดดงากนั่นีนมาีุงาหบวกนอมีนี่หมดเนี่ยดีไอ้พวกไอ้พวกนั่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 เวอร์โอ้ยว้าหัวเงี่ยเราได้จังหวัดยี่สหราชมหดุษฎีนะโอ้ยนั่นอาจารย์นี่ฮะอิศานิศร์อิศานิศร์อิศานิศร์อิศานิศร์อวบานมัดนะเด็กมาเจริญอิศานิศร์นวดอิศานิศร์นวดอิศานิศร์นวดอิศานิศร์นวด เนี mm ่ย hm. น mm ้ c ออกอีสันบัดนันงกอู้รอยิงหมกูเสียนาขันู้นี่น้ำออกอีสันบันกทน่าข้นกันนูนาขังานานเดิบัันิไบันงากันโอ้สิเนี่ลเอววอู้านาดก แยกกุศลหมดละเอววัาว้โลมั่นเองนมอ้นอ๊นมอกี้สันแบบจกน้นิโ้น้ำมอี้สจุกนเดีวน้มอกี้ส่จกนขมน้ำมอกีเน่ปนนดานเดสุุกนุกเหยรอยนน้ำเงนิบมู h có u h o n một điểm đ t n g t ngon m h o n ộ t l ạ n h n g ọ n g m n á h ấ y là liên m ư t đ e m p h ả n n g n h n q u l n mà t n g c c h u n m mà t g c i hạt mà o n g h ấ y l dễ n เราเรยลกเอามหเนั้นต้องหมดนักรวามเพยามลุก้นได้เยาเมันได้ะยให้ยนะริกนคุไนะหนกอกนรู้ไม่ใช่คำห้นี่นะ นามนหมดนนีา้นนันมดิสเหียบ่าคูเหียบาีะีตนมดูบวี้นันี่นคูนักนาีนออีมดินยมอาสหม อีมด we ิกหญ่ยอดมกมาอุณำเดียบมาลยอีพี่ไอ้ยอดพี่บียยอดพี่ไอใยมักนู่นดูใคัก็เนี่น้มอคลไ่ักนางินนนี่น้ำมอคิลไักนารินนี่อดเนี่หมดพีอ้ักคน็ักน้ึกโบราณนน อามน็แ่างสดิสนาาบอย อันนี้แบบนเด็กสูงมากนะกสูงออกเอเยาะฮะเอเยาะฮะเด็กสูงเราแข็งแสุดเลยเด็กสูงขาม่ก่อนเด็กสูงลงมือใช้นต์ถ้ิไมสูง เออมก่อนนี่เราออกจากแอรายหนักน้นนะนผู้ร่วมทีมว่าทำที่กวนขึ้นวันน้ำหมายะน้ำไปอยู่ใส่ใส่าญาบูนหด้เด็ดมหลุในฐานมาหา้หมาเย็ดเย็ดซึมญาบัดดูเรียมองว่กหอย่างไร้องอ่นั่นบัดดีโายดลยงนั้นเมื่เปรียบเข้ามาายนออกให่ลอกไม่้ำบัดี้โรายด ทุกเรองรู้หมดรู้หมดรู้หมดร้ทุกไม่ก็รู้มดีั้รู้แวนรู้ย่นเราออกจากความรกอิสมัเราเห็นความคิดเราเข้าใจความคิดเมื่อเห็นความคิดเข้าใจคมคิมันก็ไม่ได้อัดแน่นอยู่หายูุใใหญ่แล้วก็วางมันได้ควมคดที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันได้เรียกว่าวางมันก็ได้ปล่อยมันก็ได้ หรือว่ายู้เท่าทันมันก็ได้มันไม่ถูกปุงไม่ถูกแต่งไปอันนี้แหละที่ว่าต่างเก่าล้วงภาวะเดิมดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะบวชเป็นพระก็ได้บวชเป็นเลงก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นพระอได้ไม่ต้องบวชเป็นเลงก็ได้จะให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ไม่ให้ทานก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้ดังนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ว่าการทานธรรมย่อมชนะทานทั้งปวงทานธรรมเนี่ยโดยมากตัวของผมเองตัวอาตมาเองไม่รู้คำว่าทานธรรมนี่ไม่รู้จริจรงๆความจริงแล้วไม่ใช่ทานเงินทานเสื้อทานผ้าทานยารักษาโรคไม่ใช่ทานอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นสังคมสมมุติขึ้นมา คำว่าทานธรรมนั้นหมายถึงทานแนวความคิดที่มันจบกบกนั่นแหละแนวความคิดที่มันจกบกนั้นคือโทสะโมหโลภไมงะะงง่งานเราชอบพิุกนงมานัมหายาจงนเบยจงสิสนามะยเยาจิยะมลุงอกหานะ อมประตูุขานเดะงันเดียกนักเมือเมเดนั่อตัมบัลสมัง่ายเดมาอัมบายง่ายจิตมยนานั่งอินก็มนงันเพราะมีมวลออก หนักหมอุ่ปูนหนักหม้อนำลมาลงมอซีนมาตกแหันักนหอัน้ำลงควิเนาน่งงานเนาะหนตงบอจิกุบบนบอลออยงมดูงดงดกอจับัดเามเวลาอมจะกุบหมอกแ่งิบู้เ นั่นแหละเรารู้แตเราถือได้ไหมใจทํามเนี่นะัต้องดองเรรมะนัะเอาไหะิดจะเนี่ยิ่งผิดิากเชเนี่ยยากดังนี้ยงเจ้าที่สอนแต่ของจริงอาจเราเรียนาสุทธิ์หรือสอนพิจารณามอสุิตหอทบดเจ้ามีอิดนะแต่ของจริิทาแล้วมาะดเราเ็นอะไริดแล้วกหกนนั่นน่ะไม่เรียกเ็ไม่ได้สมัยเราโกปาจาอยากไปยุคใดสมัยไหนก็ตาม าีบาามา่ออมาิตั้งปณิธานของเราเอาไว้ในุนจะพูดอย่างนี้เนี่ยใคนใจคนมีละาิศกมาคสอนของพระพุทธเจ้านันม่ลัยง้กนิ ยเมืออตได้ทนวนิเขาพระพุทธเจ้าหาย่ายเกลิมนะะเขาลบุมอาจารย์บบเเารเจ้าก็หมายถึงรอแทนพระพุทธเจ้าหายเพเลยทน้นำนนายเยี่ยุกะอยก่ดตวันนครเอาเ่มาย การไหลจริคดกเมื่นคลิตเราผู้ทำแทนนี่บอกเราเป้แค่นั้นก็คือเราญาติอาคงนอาคมอารมณ์โลดีใจต้องปฏิบัติตามให้ดูแจ้งให้รองตามความตื่นหนุนก็ออกมาเผยแพ้ถึงผู้น้อคนนั้นออกน้อยพูดมากเพนฟังยอดเผยแท้หายของคัววมเปิดของที่จุหายเกี่ยวทมันอัดนะนนกนอ มันเบาหน่เล็กทำไมพูดอย่างนั้นกบพูดของเองของจริงเรื่องอะไรเรื่องโทสังโมหโลภนี่เองเป็นสิ่งที่สําคัญพ้าพุเจ้าสอนเรื่องนี้เรื่องเองนั่นเป็นการทําดีคับสังคมเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคคลคนเฒ่าคนแก่ก็โกรธเอง คนหนุ่มคนสาวก็โกรธเต็มพ่อบ้านแม่เรื้ยงก็โกรธเต็มเด็กๆก็โกรธเต็มเราโกรธโลกหลงภาษาธรรมะเมื่อภาษาที่ผมปฏิบัติผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจผมสัมผัสแนบแน่แนกับตัวมันเองนั้นโทสะโมหะโลภใครมีโทสะมากต้องรู้ เห็นเข้าใจสัมผัสโทสะก่อนใครมีโลภมากก็รู้เห็นสัมผัสโลภใครมีโมหามากก็รู้เห็นสัมผัสโมหาก่อนจิ่งใดมันหนักจริงใดมันมากเราต้องเห็นอันนั้นก่อนรู้อันนั้นก่อนสัมผัสอันนั้นก่อนแน่แน่อันนั้นก่อน เมื่อโทสะโมหะโลภะจางหายไปแล้วเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์อันนั้นแหละคือเป็นเทวดาแท้หรือเป็นมนุษย์แทหรือเป็นพระก็ได้พระจึงแปลว่าผู้ประเสริฐพระจึงแปลผู้สอนคนสอนของจริง ถ้าประเสริฐแล้วเขต้องสอนให้คนรู้จักอันนี้เรียว่าวิปัสสนาก็ได้หรือว่ารู้จักหลักพระพุทธาศาสนาก็ได้หรือว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ยิ่งว่าทั้งทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นเหมือนกันแต่ไม่ใด้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าสายสิทธะกุมาร น, นั้นแก้ว่าอันความรู้ความเห็นความเข้าใจความสัมผัสนั้น เป็นเหมือนกันไม่ผิดกันเลยจะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นเหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้แต่อย่าเชื่อคำพูดของอาตมาแต่ต้องปฏิบัติตามลองดูมันจะเป็นจริงไหมหรือมันไม่จริงท่านจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองไม่ต้องรอคอยใครที่ไหนได้ย่างไ น, นดังนั้นที่เราตรวจกัน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะไปรับเก่ก็ต้องพูดนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าขอนกน้อมเราพูดได้แต่เรานอบยังไงน้อมยังไงรู้จักเคารมตัวเองยังไงรู้จักคารมพระพุทธเจ้ายังไงรู้จักคารมบิดามาดาอย่างไงรู้จักคารมนับถือครูบาอาจารย์อย่างไงไม่รู้แต่ก่อน ตัวของผมตัวตะมาไม่รู้เมื่ออายุสีสิบกว่าปีมานี่แหละรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าได้ยกมือไหว้ครูบาอาจารย์ได้ยกมือไหว้บิดามารดาเพื่อนฝูงทุกคนยกมือไหว้ได้เพราะทุกคนมีเหมือนกันอันนี้เลยจึงเป็นการทำแท้พูดแท้ทำดีพูดดีคิดดี ทำให้พุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นคงจเจริญงอกงามขึ้นมาได้ดังนั้นที่ตัวของผมหรืดตัวของอาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วภายที่สุดนี้อาตมารพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยุณสถานที่นี้ อาจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถ้าทำคําสอนขององค์สเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแง่คุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ทําหน้าที่ของเราจริงๆคือให้ตัวสัญญาตัวนั้นะตัวรู้สึกในเว่าสัญญาทําหน้าที่ของมันจริงๆ เมื่อตัวสัญญาได้ทำหน้าที่ของมาจริงๆแล้วก็จะรู้จริงตามความจริงจริงจะไม่หลงไม่ลืมจะไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุกคนเธอ